หนังสือซีดีที่แจกนี้เป็นคู่มือวิธีสร้างความสุขใจวิธีดับความทุกข์ใจถ้าใครอ่านหนังสือธรรมะแล้วสามารถปฏิบัติตามคำสอนของธรรมะได้ mm hmm. ก็จะสามารถ มีความสุขได้สามารถกำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไปได้เราจึงต้องศึกษาธรรมะกันอ่านหนังสือธรรมะกันฟังเทศฟังธรรมกันเราจะได้รู้จักวิธีที่จะสร้างความสุขที่แท้จริง กำจัดความทุกข์ได้อย่างแท้จริงพอวิธีที่เราสร้างความสุขกันและวิธีที่เราดับความทุกข์กันตอนนี้มันไม่ได้เป็นวิธีที่ถูกต้องความสุขที่เราได้กันจะเป็นความสุขชั่วคราวความทุกข์ที่เรากำจัดก็กำจัดให้มันหายไปได้ชั่วคราว เราจึงยังต้องหาความสุขกันอยู่เรื่อยเรอยเรายังต้องคอยกำจัดความทุกข์กันอยู่เรื่อยๆรอเพราะวิธีสร้างความสุขกับวิธีกำจัดความทุกข์ของเราเป็นแบบชั่วครั้งชั่วคราวเราเลยต้องวุ่นวายกับการหาความสุขต้องวุ่นวายกับการกำจัดความทุกข์อยู่ แทบทุกวันทุกวันที่เราเตื่นขึ้นมานี้เราต้องวิ่งหาความสุขกันแล้วเราก็ท่องคอยมากาจัดความทุกข์กันเพราะวิธีที่เราหาความสุขกับวิธีที่กาจัดความทุกขน์นี้เป็นวิธีชั่วคราวนั่นเองแต่ถ้าเราได้มาศึกษาพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า เราจะได้เรียนรู้วิธีสร้างความสุขที่แท้จริงที่ถาวรเราจะได้รู้จักวิธีกาจัดความทุกข์ที่แท้จริงที่ถาวรต่อไปเมื่อเราทําสำเร็จเราจะไม่ต้องหาความสุขอีกต่อไปเพราะความสุขที่เราหาได้จะอยู่กับเราไปตลอดเราไม่ต้องข้มาคอยกาจัดความทุกข์อยู่เรื่อยๆ อย่างที่เราต้องคอยกาจัดกันอยู่ในขณะนี้เพราะวิธีกาจัดความทุกข์ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนนี้จะกาจัดความทุกข์ได้อย่างถาวร เ, เราจึงต้องเข้าหาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะมีธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะสามารถสอนให้เราได้ความสุขที่ถาวรที่แท้จริง สอนให้เรากําจัดความทุกข์ให้หมดสิ้นไปได้อย่างถาวรไม่มีคําสอนของใครในโลกนี้ที่จะสามารถสอนให้เราสร้างความสุขที่ถาวรได้ไม่มีคําสอนของใครในโลกนี้ที่จะสอนให้เรากําจัดความทุกข์ได้อย่างถาวร มีแต่คำสอนของพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้น yeah. ต่อให้เรียนจบมหาวิทยาลัยใ น, ในระดับไหนก็ตามระดับปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกก็ยังไม่สามารถหาความสุขที่ถาวรได้ยังไม่สามารถหากําจัดความทุกข์ที่ถาวรได้ yeah. โอกกนี้ ความรู้ในโลกนี้เป็นความรู้ที่หาความสุขได้ชั่วคราวกำจัดความทุกข์ได้ชั่วคราวเท่านั้นถ้าอยากจะกำจัดความทุกข์อย่างถาวรถ้าอยากจะหาความสุขอย่างถาวรต้องมาศึกษาพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า <c oughs> ถ้าศึกษาแล้วปฏิบัติตามได้จะสามารถกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจได้ นี่คือสิ่งที่เราต้องเข้าหากันต้องศึกษากันถ้าเราอยากจะรู้จักวิธีกำจัดความทุกข์อย่างทาวรรู้จักวิธีสร้างความสุขอย่างทาวรต้องต้องปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี่มีหลายพระองค์ ไม่ใช่มีแต่พระพุทธเจ้าองค์ที่เรากลาวบูบะกราบไหว้บูชาเพียงองค์เดียวมีพระพุทธเจ้ามามาสั่งมาสอนสัตว์โลกนี้เป็นจํานวนมากมาตั้งแต่อดีตอันยาวนานและในอนาคตที่อันไกลที่จะมาถึงนี้จะมีพระพุทธเจ้ามาตัดสรุปแล้วมาสอนคํำ สอนพระธรรมคำสอนให้แก่สัตว์โลกทุกๆพระองค์ทุกๆพระองค์ที่สอนนี่จะสอนเหมือนกันหมดคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นี่เป็นคำสอนเหมือนกันหมดเพราะเป็นความจริงที่เหมือนกันไม่ว่าจะอยู่ในยุคใดสมัยใดวิธีสร้างความสุขที่ถาววนสร้างอย่างไรวิธีกําจัดความทุกข์อย่างท้าวรอําจัดอย่างไร อันนี้จะเป็นวิธีเดียวกันเหมือนกันเหมือนสมัยนี้หมอที่รักษาโรคต่างๆก็รักษาโรควิธีเดียวกันไปโรงพยาบาลไหนอยู่ประเทศไหนเป็นวัดเขาก็ให้ยากแก้หวัดมาะปวดท้องเขาก็ยาให้แก้ปวดท้องมาเหมือนกันไม่มีความแตกต่างกัน คำสอนของพระพุทธเจ้าของพวกเราเนี่ยที่เราได้มาพบก็เหมือนกันไม่ต้องไปรอคำสอนของพระพุทธเจ้าในอนาคตบางคนบอกว่าชาตินี้ไม่มีบุญไม่มีวาสนาปฏิบัติตามคำสอนไม่ได้ขอผัดไปรอพบกับคำสอนของพระพุทธเจ้าองค์ใหม่ก่อนเจอพระพุทธเจ้าองค์ใหม่ก็เหมือนเจอพระพุทธเจ้าองค์นี้แหละ ไม่แตกต่างกันสอนเหมือนกันทุกอย่างเราไม่ต้องเจอตัวพระพุทธเจ้าก็ได้ขอให้เจอคำสอนตัวแทนของพระพุทธเจ้าก็ได้หรือเจอพระอริยสงสารของพระพุทธเจ้าก็ได้ก็จะได้คำสอนเหมือนกันบางทีเราอาจจะคิดว่าเรามาเกิดช้าไปพระพุทธเจ้าตายไปแล้วไม่มีพระพุทธเจ้าสอน เราจะไม่สามารถสร้างความสุขที่แท้จริงกําจัดความทุกข์ที่แท้จริงได้ต้องไปรอพบกับพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปถ้าคิดอย่างนี้ก็จะก็จะลําบากเพราะว่าโอกาสจะได้เจอพระพุทธเจ้าแต่ละองค์นี้มันไม่ใช่ของง่ายและไม่ใช่ของที่จะเกิดขึ้นได้บ่อยๆนานๆจะมีพระพุทธเจ้ามาเกิดสักครั้งหนึ่ง และจังหวะที่พระพุทธเจ้ากับเรามาเกิดพร้อมๆกันนี้มันก็ไม่ใช่เป็นของที่ง่ายเนดังนั้นถึงแม้เราจะไม่ได้เจอตัวพระพุทธเจ้าแต่เราได้เจอตัวแทนของพระพุทธเจ้าอยู่ตั้งสองสององค์คือเจอพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเจอพระอริยสงสากของพระพุทธเจ้า ยุคนี้สมัยนี้ยังมีพระธรรมคำสอนอยู่ยังมีพระอริยสงสาวุกอยู่ถึงแม้จะมีไม่มากแต่ก็ยังพอหาได้อยู่ถ้าสนใจถ้าค้นคว้าออค้นหาก็จะพบกับพระอริยอริยสงสาวกที่จะสอนให้เรากำจัดความทุกข์ได้อย่างถาวร สอนให้เราสร้างความสุขได้อย่างถาวรเหมือนกับศึกษาจากพระพุทธเจ้าโดยตรงเลยเนี่ยศาสนาพุทธมีผู้สอนอยู่สามองค์ด้วยกันที่เราเรียกว่าพระรัตนตรยัยเนี่ยพระรัตนตรัยนี่แหละคืออาจารย์ของพวกเราการที่เราถึงพระรัตนตรัยนี้หมายถึงเราเชื่อคำสอนของพระรัตนตรยัยแล้ว เรากล่วกาวคำพุทธังสรานังกะฉามิทำมังสรานังกระฉามิสังคังสรานังกระฉามิความหมายก็คือเราจะขอเป็นนักศึกษาของพระพุทธเจ้าของพระธรรมคำสอนของพระอริยสงสากเท่านั้นเราจะไม่เชื่อฟังคำสอนของผู้อื่น ถ้าคำสอนของผู้อื่นขัดกับคำสอนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่ถ้าคำสอนของผู้อื่นไม่ขัดก็เชื่อได้เชื่อฟังได้ถ้าเป็นคำสอนที่สอนเหมือนกันก็เชื่อได้ไม่ว่าจะเป็นศาสนาไหนก็ตามถ้าศาสนานั้นสอนเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าทรงสอนก็เชื่อได้เช่นพระพุทธเจ้าสอนให้เราทำบุญ มีศาสนาไหนถ้าเขาสอนให้เราทำบุญก็เชื่อได้ mm. เหมือนกันศาสนาไหนสอนให้เราละบาปที่พระพุทธเจ้าก็สอนให้เราละบาปเราก็เชื่อได้เหมือนกันแต่ถ้าศาสนาไหนสอนว่าให้ฆ่าให้ทำบาปเพื่อรักษาศาสนาอย่างนี้ก็เชื่อไม่ได้เพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เรา ทำบาปเพื่อรักษาศาสนาคือไม่ทําบาปไม่ว่าจะด้วยเหตุผลกลไกลใดทั้งสิน้นแม้แต่รักษาชีวิตของเราก็ก็เป็นบาปก็ไม่ให้ทำเช่นต้องฆ่าผู้อื่นเพื่อที่จะรักษาชีวิตเราอันนี้ก็ไม่ให้ทำแต่ถ้าใครมาสอนให้เราทำถ้าเราเชื่อพระพุทธศาสนาจริงๆเราจะไม่ทาตามที่เขาสอน พระตถาจ้าวบอกให้ละการกระทาบาปทั้งปวงไม่มีสาเหตุไม่มีเหตุผลไม่มีข้ออ้างว่าค่าได้เพื่อที่จะเอาตัวรอดเช่นไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพื่อเลี้ยงชีพทำอาชีพเป็นนายพรานทำอาชีพเป็นคนจับปลาแล้วจับมาได้ก็เอามาฆ่าเอามากิน อย่างนี้ก็เป็นคำเป็นบาปถ้าเราไปเกิดในครอบครัวที่เขาทำอาชีพเหล่านี้อยู่ถ้าเราได้เชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนไม่ให้ทำบาปเราก็จะไม่ทำบาปอันนี้คือความหมายว่าทำไมเราต้องเชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพียงเพียงผู้เดียว ไปเชื่อคนอื่นเชื่อได้ถ้าคำสอนคำสั่งเขาไม่ขัดกับคำสั่งคำสอนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าขัดกันเราก็ต้องเลือกเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าของพระธรรมหรือของพระอาดียสง่งถ้าเราต้องการที่จะได้ความสุขที่ถาวรถ้าเราต้องการกำจัดกำจัดความทุกข์ที่ถาวรเราก็ต้อง เชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นถ้าเชื่อคําสอนที่ขัดกับคําสอนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราจะได้ความสุขชั่วคราวเราจะกําจัดความทุกข์ได้ชั่วคราวและอาจดีไม่ดีกลับไปสร้างความทุกข์ใหม่ขึ้นมาโดยไม่รู้สึกตัวเอเช่นกําจัดความทุกข์ที่เกิดจากความหิวขาดอาหารด้วยการไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตน อันนี้ก็กำจัดความทุกข์ชั่วคราวที่เกิดจากความหิวกินเสร็จอิ่มแล้วเดี๋ยวอีกวันใหม่เดี๋ยวก็หิวขึ้นมาใหม่อีกแล้วความทุกข์ที่กำจัดก็กลับมาใหม่แต่เราไปสร้างบาปโดยที่เราไม่รู้สึกตัวไปความไปสร้างความทุกข์ใหม่ขึ้นมาโดยไม่รู้สึกตัวเพราะการทำบาปนี้เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจนั่นเอง ความทุกข์ใจของเราจะไม่มีวันหมดถ้าตราบใดเรายังทําบาปอยู่ถึงแม้ทําบาปเพื่อมาดับความทุกข์ทางร่างกายก็ตามอแต่ใจมันจะทุกข์เพราะการทําบาปนี้เป็นเหตุที่ทําให้ใจเกิดความทุกข์ขึ้นมานั้นเองเราต้องเลือกเอาระหว่างร่างกายกับใจพรจะพุทธเจ้าบอกว่าร่างกายนี้ไม่สําคัญเท่ากับใจ ร่างกายเป็นของชั่วคราวเลี้ยงดูมันดีขนาดไหนเดี๋ยวไม่เกินน้อยปีมันก็ตายแต่ใจนี้ไม่มีวันตายแล้วถ้าเราไปเลี้ยงดูร่างกายด้วยการไปสร้างความทุกข์ให้กับใจร่างกายตายไปความทุกข์มันก็ยังอยู่กับใจต่อไปมาสร้างความทุกข์ให้กับใจไปเรื่อย อย่างนั้นสู้ยอมตายดีกว่ายอมอดตายดีกว่าดีกว่าไปสร้างความทุกข์ให้กับใจด้วยการไปทำบาปด้วยการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนี่คือคําสอนของพระพุทธเจ้าพุ่งไปที่ใจไม่ได้พุ่งไปที่ร่างกายร่างกายก็ก็ให้ความสําคัญเหมือนกันแต่ไม่มากเท่ากับใจร่างกาย ถ้าต้องทำบาปเพื่ออยู่ก็อย่าทำดีกว่าเพราะยังไงมันก็ต้องตายอยู่ดีไม่ตายวันนี้ก็ต้องตายพรุ่งนี้แต่ถ้าตายโดยไม่การโดยไม่ทำบาปก็จะไม่มีความทุกข์ใจตามมาแต่ถ้าอยู่ด้วยการทำบาปก็จะสร้างความทุกข์ใจขึ้นมาที่จะทุกยาวไปกว่าชีวิตของร่างกายร่างกายตายไปแล้ว ความทุกข์ที่เกิดจากการทาบาปมันยังอยู่ในใจต่อไปยังจะส่งผลให้กับใจต่อไปด้วยดังนั้นขอให้เราเข้าใจว่ า, เ, าเรื่องของความสุขเรื่องของความทุกข์ใจนี้เป็นเรื่องที่ศาสนาให้ความสาคัญที่สอนนี้ก็สอนเรื่องของการกำจัดความทุกข์ใจสร้างความสุขใจ ไม่ได้สอนเรื่องการกําจัดความทุกข์เรืเอาสร้างความสุขทางร่างกายสอนเหมือนกันแต่ไม่ได้ให้ความสําคัญเท่ากับให้ความสําคัญของใจถ้าต้องเลือกระหว่างความสุขของร่างกายกับความสุขของใจท่านสอนให้เราเลือกความสุขของใจ <c oughs> ถ้าต้องเลือกระหว่างความทุกข์ของร่างกายกับความทุกข์ของใจ ให้เลือกเอาการกำจัดความทุกข์ของใจมาก่อนการกำจัดความทุกข์ของร่างกายเพราะความสุขความทุกข์ของใจนี่มันรุนแรงกว่าความสุขความทุกข์ทางกายและมันยาวนานกว่าเนี่ยใจของพวกเรานี่ทุกมาแบบไม่รู้กี่แสนกี่ล้านปีแล้วเกิดมากี่พบกี่ชาติก็ทุก ตายไปก็ทุกข์ในเกิดในอบายก็ทุกข์นานๆจะไปเกิดสวรรค์สักทีหนึ่งก็ไม่ทุกข์ชั่วคราวสุขชั่วคราวเวลาไปเกิดในสวรรค์พอตกจากสวรรค์ลงมามาเกิดเป็นมนุษย์ก็มาทุกข์กับการเป็นมนุษย์ใหม่ทุกข์กับร่างกายของมนุษย์ใหม่อันนี้ร่างกายจึงไม่ค่อยสำคัญเท่ากับใจ าเราสามารถกำจัดความทุกข์ใจได้หมดสร้างความสุขใจได้เต็มที่ใจจะมีแต่ความสุขไปตลอดไม่มีความทุกข์ไปตลอดดีกว่ามาสร้างความสุขที่ร่างกายแล้วก็ต้องทุก์เวลาที่มันแก่มันเจ็บมันตายอยู่ดีแล้วนอกจากนั้นหลังจากที่มันตายแล้วก็ยังต้องไปทุก กับการไปเกิดในอบายถ้าทำถ้าทำบาปเพื่อดูแลเลี้ยงดูร่างกายกำจัดความทุกข์ของร่างกายสร้างความสุขของร่างกายด้วยการทำบาปมันก็จะทำให้ต้องไปรับผลบาปต่อไปหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วเพราะใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจเป็นผู้ที่จะร่องไปรับผลบาปต่อไป พระพุทธเจ้าถึงสอนเรื่องของการสร้างความสุขของใจเรื่องของการกําจัดความทุกข์ของใจเป็นหลักส่วนความสุขความทุกข์ของทางร่างกายก็ทำไปตามเหตุตามผลร่างกายนี้มันถ้ามันได้สิ่งที่มันต้องการพอเพียงมันก็สุขแล้ว จะให้มันได้ไปมากไปกว่านั้นมันก็ไม่ได้ทำให้มันมีความสุขมากไปกว่านั้น เ, ออเช่นสิ่งที่จะทำให้ร่างกายอยู่อย่างเป็นปกติสุขก็คือปัจจัยสี่ เ, ออเช่นอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคออจะมีมากมีน้อยก็สุขเท่ากันทางร่างกายมีอาหารออมากเกินกว่าที่จะกิน กับมีอาหารที่พอกินมันก็ได้ความสุขได้ประโยชน์เท่ากันก็คือทำให้ร่างกายอิ่มเหมือนกันมีเสื้อผ้ากี่ร้อยชุดกับมีเพียงสองสามชุดมันก็เหมือนกันร่่งกายก็มีเสื้อผ้าไว้สวมใส่เหมือนกันไม่ยังไม่จำเป็นจะต้องมีเป็นสิบเป็นร้อยชุดเนี่ยมีเสื้อผ้าใส ก็ใส่ได้ทีละชุดเท่านั้นแต่ให้มีน้อยชุดก็ใส่ทีเดียวพร้อมกันไม่ได้ร้อยชุดก็ใส่ได้ทีละชุดนะะันอยากไปลหลงไหลกับการหาปัจจัยสี่เกินเหตุเกินผลเกินความจำเป็นเกินความต้องการของร่างกายจะเสียเวลาไ ป, ปเปล่าๆและอาจจะ เกิดโทษถ้าไปหามด้วยการทําบาปแทนที่จะได้ความสุขใจกับได้ความทุกข์ใจตามมาได้ความสุขทางร่างกายร่างกายมีเสื้อผ้าสวยงามไม่ใสมากมายแต่ถ้าไปหาเสื้อผ้ามาโดยวิธีไม่ถูกต้องไป ท, าทําบาปทําผิดกฎหมายเดี๋ยวก็ต้องอนับผลบาปต่อไปเช่น <c oughs> ผู้ที่ศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าและปฏิบัติตามแล้วจะเข้าใจว่าไม่ควรจะต้องไม่จำเป็นจะต้องดูแลร่างกายเกินความต้องการของร่างกายร่างกายต้องการอาหารเพื่อดับความหิวก็หาอาหารให้มันกินอาหารที่ดับความหิวนี้จะมีราคาแพงราคาถูกมันก็ดับความหิวได้เหมือนกัน กินอาหารมื้อละล้อยกับกินอาหารมื้อละพันมันก็ดับความหิวได้เหมือนกันอาจจะได้ความสุขต่างกันกินละร้อยมื้อละร้อยอาจจะไม่สุขเท่ากับกินมื้อละพันแต่มันเป็นความสุขปลอมเป็นความสุขเดียวเดียวความสุขที่เกิดจากตอนที่ได้กินนั้นพอ ก, กินผ่านไปแล้วความสุขได้นั้นก็หมดไป ถึงอย่าไปอย่าไปวุ่นวายอย่าไปส่งเสริมเรื่องของทางร่างกายเกินความจำเป็นไม่เกิดประโยชน์มีแต่จะทำให้เป็นภาระและอาจจะทำให้ต้องไปทำบาปทำผิดเพื่อที่จะได้หาสิ่งแพงๆหาสิ่งดีๆหาสิ่งหาสิ่งมากๆ ม, มาให้กับร่างกาย เพราะประโยชน์ที่ได้มันเท่ากันหามามากหามาน้อยประโยชน์ที่ได้ก็เท่ากันหาของแพงมาใช้หาของถูกมาใช้ประโยชน์มันก็ได้เท่ากันก็คือเลี้ยงดูร่างกายให้อยู่เป็นปกติสุขได้เท่ากันนั่นเองใส่เสื้อผ้าชุดละพันกับใส่เสื้อผ้าชุดละหมื่นมันก็เป็นเสื้อผ้าเหมือนกัน รองเท้าคู่ละพันกับรองเท้าคู่ละหมื่นมัน ก, ก็เป็นรองเท้าเหมือนกันอาหารมือละพันอาหารมือละหมื่นมันก็เป็นอาหารที่ทำให้ร่างกายกินแล้วอิ่มเหมือนกันบ้านจะเช่าอยู่หรือจะซื้อมามันก็เป็นบ้านเหมือนกันหลบแดดหลบฝนได้เหมือนกันจะบ้านถูก บ้านละล้านสองล้านหรือบ้านละสิบยี่สิบล้านมันก็เป็นบ้านเหมือนกันมันไม่มีประโยชน์แตกต่างกันไปมันเพียงแต่เป็นความรู้สึกที่แตกต่างว่าโอ้เราได้ใช้ของดีของแพงแล้วมีความสุขมากกว่าเราใช้ของถูกของไม่ดีมันก็มีเท่านั้นแต่มันก็ได้ประโยชน์เท่ากันเราจะเสียเวลาแล้วเรา อาจจะต้องไปทำบาปเพื่อที่จะหาสิ่งต่างๆมาให้กับร่างกายมากกว่าความต้องการของร่างกายออถ้าเรามาศึกษาธรรมะคำสอนแล้วเราจะได้รู้ว่าพระพุทธเจ้าจะสอนให้เราใช้ควาว่ามักน้อยสันโดษกับการเลี้ยงดูร่างกายออมักน้อยก็คือเอาให้น้อยที่สุดเท่าที่จําเป็น เช่นถ้ากินมื้อเดียวได้ก็กินมื้อเดียวก็พอพระนี่มาบวชนี่ท่านฉันมื้อเดียวได้หรือถ้าไม่มื้อหนึ่งก็อย่ากเกินสองมือ้ออย่า ก, กินอาหารหลังเที่ยงวันไปแล้วอันนี้คือคำว่ามักน้อยกินเพื่ออยู่อย่าอยู่เพื่อกินถ้าอยู่เพื่อกินกินตามความอยากเรากินเท่าไหร่ก็จะไม่อิ่มไม่พอ พอกินได้เดี๋ยวเดียวเดี๋ยวความอยากโผล่ขึ้นมาใหม่ก็หิวขึ้นมาอีกไม่ได้หิวที่ร่างกายแต่หิวที่ใจความอยากอยู่ที่ใจความหิวของใจนี้กินเท่าไหร่ก็จะไม่มีวันอิ่มแล้วจะเป็นโทษกับร่างกายพอบังคับให้ร่างกายกินมากกว่าที่ร่างกายต้องการจะกินร่างกายก็จะน้ําหนักเกิน มีรูปร่างที่ไม่สวยงามไม่น่าดาูกลายเป็นตุ่มไปแล้วก็ยังมีโครคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนเนื่องจากกินอาหารมากเกินไปโรคที่มาเบียดเบียนก็เช่นเบาหวานาความดันโรคอะไรต่างๆที่คนที่ไม่กินมากจะไม่มีแคนที่กินมากคนที่น้าหนักเกิน มันจะต้องเจอโรคภัยเหล่านี้แทนที่จะเป็นคุณกับร่างกายกับเป็นโทษกับร่างกายเสียอีกถ้าไม่รู้จักคำว่ามักน้อยสันโดษนี่คือหลักของผู้ปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลร่างกายท่านให้ใช้หลักมักน้อยสันโดษคือมักน้อยก็คือให้มีเท่าที่จำเป็นเท่านั้นให้น้อยที่สุด เพื่ออะไรเพื่อใจจะได้ไม่ต้องถูกกดดันให้ต้องไปหาของมามากๆนั่นเองเพราะของต่างๆมันไม่ได้มาตกลงมาเหมือนฟ้าเหมือนฝนอมันต้องไปหามาต้องไปทำงานต้องไปหาเงินหาทองต้องไปซื้อของต่างๆมาอย่างนั้นถ้าเราไม่มีความมากน้อยเรามีความมากๆนี้เราจะต้องเนหน็ดเหนื่อย กับการหาปัจจัยสีมาเลี้ยงร่างกายที่ได้ประโยชน์เท่ากันไม่ว่ามากักมากหรือมักน้อยถ้าได้ถ้ามีปัจจัยสี่พอเพียงมันก็ทำประโยชน์ได้เท่ากันออนี่คือต้องการให้เราลดการกดดันจิตใจ จิตใจของพวกเราไม่ค่อยมีความสุขกันก็นเพราะต้องดิ้นรนหาสิ่งต่างๆมาบำรุงบำรเลอร่างกายอยู่เรื่อยๆนั่นเองอ น, นี่คือเรื่องของการกําจัดความทุกข์ต่างๆที่มีในใจของเรามันไม่ได้เกิดจากอะไรหรอกเกิดจากความหลงที่คิดว่าต้องมีของมากๆแล้วถึงจะมีความสุขเท่านั้นเองแต่ความจริงแล้วมันไม่จําเป็นจะต้องมีมาก ร่างกายนี้มันไม่จาเป็นจะต้องมีมากเกินกว่าที่มันต้องการถ้ามันมีพอที่มันต้องการแล้วมันก็ได้ประโยชน์ได้ความสุขเท่ากันอย่างที่พูดอาหารมื้อละร้อยกับมื้อละพันนี่มันก็มันก็เป็นอาหารหลอดเลี้ยงร่างกายเหมือนกันเสื้อผ้าชุดละพันชุดละหมื่นก็เหมือนกัน ยารักษาโรครักษาสามสิบบาทหรือรักษาสามล้านบาทสามแสนบาทมันก็รักษาโรคเหมือนกันหายก็หายเหมือนกันถ้าไม่หายก็ตายเหมือนกันนี่คือหลักการของการเลี้ยงดูร่างกายให้เราใช้มักน้อยสันโดษมักน้อยก็คือให้น้อยที่สุดสันโดษก็คือถ้า หาไม่ได้ก็ยินดีตามมีตามเกิดอา จ, จะต้องอดมือ้อกินมื้อก็อดมือ้อกินมื้อไปอา จ, จะต้องใส่เสื้อที่ปะเพราะไม่มีเงินซื้อเสื้อผ้าใหม่เสื้อผ้าเก่ามันขาดก็ปะมันไปอันนี้เรียกว่าสันโดษตามมีตามเกิดสันโดษนี่ยากกว่ามักน้อยมักน้อยก็คื อ, อยังสามารถหา ตามจํานวนที่ต้องการได้แต่สันโดษนี้มันหาไม่ได้ตามที่ต้องการก็ต้องสันโดษก็เคยยินดีตามมีตามเกิดถ้ากินสา ม, มื้อไม่ได้ต้องอดมือกินมือก็อดมือกินมือไปถ้าเสื้อซื้อเสื้อรองเท้าขาดเปลี่ยนรองเท้าไม่ได้ก็ใช้ของเก่าไปจนกว่าจะใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ก็ใช้เท้าเปล่าไป เดิไปคอยเก็บของที่เขาทิ้งตามถันขยะกองขยะอาจจะมีของที่ยังใช้ได้อยู่แต่เจ้าของก็ไม่อยากจะใช้ทิ้งไปออันนี้ก็เรียกว่ายินดีตามมีตามเกิดนลจะสบายใจไม่ใช่อะไรหรอกใจจะได้ไม่ต้องวุ่นวายกับการไปหาเงินหาทองมาซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆซื้อของดิบของดี ซึ่งมันก็เป็นของเหมือนกันเพียงแต่ว่ามีปะแปะชื่อเข้าไปชื่อหนึ่งเท่านั้นเองเสื้อตัวเดียวกันถ้ามีแปะชื่อกับไม่แปะชื่อราคาต่างกันละมันใส่แล้วมันก็เหมือนกันเนะร่างกายมันไม่รู้ว่ามันใส่ชื่อใส่เสื้อยี่ห้อไหนหรอกมันใส่ขอให้มันใส่แล้วมันทาหน้าที่ของเสื้อผ้าหน้าที่ของเสื้อผ้าก็คือ ปกป้องรักษาร่างกายปกปิดอวัยวะไม่ให้นั่งกายดูน่าเกลียดจนเกินไปใ ห, ให้นั่งกายไม่เหมือนกับสัตว์เดรัจฉานพูดง่ายๆถ้ามนุษย์ไม่มีเสื้อผ้าใส่ก็ไม่ต่างจากสัตว์เดรัจฉานแต่มีเสื้อผ้าใส่ก็เลยทำให้ดูแล้วหน้าหน้าดูหน้าชมหน่อย นี่เกิหน้าที่ของเสื้อผ้าเท่านั้นเองแต่หน้าที่หลักก็คือปกป้องรักษาร่างกายจากอากาศที่หนาวเย็นบ้างหรือจากมาแมลงสัตว์กัดต่อยบ้างถ้ามีเสื้อผ้าเวลามะแรงมาเกาะมันก็กัดไม่ได้แต่ถ้าไม่มีเสื้อผ้าใส่เดี๋ยวมแมลงมาเกาะมันก็กัดให้เป็นแผลเป็นอะไรขึ้นมาได้นานี้เราต้องศึกษาเรื่องของ ความจําเป็นของร่างกายว่าต้องมีอะไรบ้างเรายังต้องมีภาระดูแลเลี้ยงดูร่างกายอยู่เพราะร่างกายนี้มันเป็นเครื่องมือของเราเครื่องมือทั้งในการหาความสุขปลอมกับเครื่องมือในการหาความสุขจริงเครื่องมือที่จะดับความทุกข์ปลอมกับเครื่องมือที่ดับความสุขความทุกข์จริงก็ยังต้องอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมืออยู่ ถ้าไม่มีร่างกายถ้าเราอยากจะเรียนรู้วิธีกําจัดความทุกข์ให้หมดไปอย่างถาวรสร้างความสุขให้เกิดขึ้นอย่างถาวรแก่ใจเราก็จะทําไม่ได้ถ้าไม่มีร่างกายเราก็ไม่ไม่สามารถมาอ่านหนังสือธรรมะได้ไม่สามารถมาฟังเทศฟังธรรมได้นั่นเองพอไม่ฟังเทศฟังธรรมไม่อ่านหนังสือธรรมะก็ ไม่รู้จักวิธีที่จะกาจัดความทุกข์สร้างความสุขที่ถาวร น, นั้นเองเราจึงยังต้องอาศัยร่างกายอยู่นี่ก็คือเราจึงยังต้องเลี้ยงดูร่างกายอยู่ในทางตนกันข้ามถ้าเราไม่อยากจะมาหามาศึกษาความความรู้ทางธรรมะเราก็ยังต้องมีร่างกายไปไปศึกษาความรู้ทางโลก เมื่อเราจะได้เอาความรู้ทางโลกมาเป็นเครื่องมือหาความสุขชั่วคราวดับความทุกข์ชั่วคราวความความรู้ทางโลกที่เราเรียนกันตามสถาบันการศึกษาต่างๆนี่เป็นความรู้ที่มาช่วยให้เราสร้างความสุขได้ชั่วคราวดับความทุกข์ได้ชั่วคราวแต่จะไม่สามารถสร้างความสุขที่ถาวรดับความทุกข์ที่ถาวรได้ ต้องเป็นความรู้ทางธรรมไม่ว่าเป็นความรู้ทางโลกหรือเป็นความรู้ทางธรรมเราก็ต้องมีร่างกายเป็นเครื่องมือเราถึงจะศึกษาถึงจะเรียนรู้ได้แล้วนําเอาความรู้นี้มาสร้างความสุขมาดับความทุกข์ทางด้วยการใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือได้นะดังนั้นเราจึงยังมีภาระหน้าที่ต้องเลี้ยงดูร่างกายอยู่ถ้าเราอยากจะ มีความสุขไม่มีความทุกข์ไม่ว่าจะเป็นแบบถาวรหรือแบบเชื่อข่าวเราก็ต้องมีร่างกายไว้หาความรู้เมื่อรู้แล้วก็ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขเป็นเครื่องมือดับความทุกข์ถ้าเป็นาการดับความทุกข์เชื่อข่าวเช่นเราเกิดความทุกข์ใจไม่สบายใจขึ้นมา ก็วิธีดับความทุกข์ชั่วคราวก็ไปทำอะไรไปดูหนังฟังเพลงไปช็อปปิ้งไปอะไรไปเที่ยวความทุกข์ชั่วคราวความทุกข์ที่เกิดก็จะหายไปชั่วคราวแล้วเราก็ได้ความสุขชั่วคราวมากรบความทุกข์แต่เดี๋ยวพอกลับมาบ้านเดี๋ยวก็เจอความทุกข์ที่เราหนีไป มันจะหนีมันไม่พ้นมันก็ยังจะต้องตามมาอยู่ดี น, นี่คือวิธีทางโลกที่เราใช้กันคนทุกคนในโลกนี้ใช้วิธีดับความทุกข์แบบนี้กันเวลาทุกข์ก็ไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อมากรบมามาทำให้ความทุกข์นั้นหายไปชั่วคราว แต่พอความสุขที่มากลบมันจางหายไปความทุกข์ที่ถูกกลบมันก็โผล่ขึ้นมาใหม่หรือความทุกข์ที่เกิดจากการสูญเสียความสุขที่ได้มาก็เกิดขึ้นมาได้เหมือนกันทุกครั้งที่เรามีความสุขจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งพอความสุขจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งหมดไปความทุกข์จากสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็จะโผล่ขึ้นมาทันที นี่คือวิธีแก้สร้างความสุขดับความทุกข์สร้างความสุขทีไรมักจะเจอความทุกข์ที่หลังทุกทีจะมีความทุกข์ตามมาทุกทีเช่ mm hmm. นหาเงินได้เงินมาก็มีความสุขพอใช้เงินหมดความทุกข์ก็ตามมาทันทีต้องไปหาใหม่ถ้าหาได้ก็ใช้ใหม่ก็หมดอีกก็ต้องหาอีกถ้าหาไม่ได้ก็ทุกทันที นี่คือการหาความสุขการดับความทุกข์ของทางโลกเขาทําอย่างนี้เขาจะดับความทุกข์หาความสุขด้วยการหาราบยศสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสผลพัฒน์ต่างๆมาเสพนั่นเองอทุกคนนี้หาเงินกันใช่ไหมมีใครไม่หาเงินเงินบ้างมีใครไม่อยากมีเงินเงินบ้างพราะมีเงินแล้วไปไงรู้สึกสุขขึ้นมาทันที แต่พอเงินหมดนี่รู้สึกสุกไหมเ อ, อเวลาเวลาต้นเดือนเงินออกเงินเดือนออกนี่โอยสุกกันยิ้มแป้นเงินพอหลังจากนั้นไม่กี่วันเงินหมดละออนี่ไม่สุขเหมือนตอนที่เงินเดือนออกละออยศก็เหมือนกันยศก็คือตําแหน่งต่างๆ ท, ทุกคนก็อยากจะได้ตําแหน่งสูงๆมีเกียรติมีหน้ามีตาออมีอํานาจมี คนคอยรับใช้พอได้เลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งก็ดีใจกันแต่พอถูกลดตำแหน่งลงก็เสียใจกันแล้วเราไปสั่งมันได้หรือเปล่าว่าต้องเลื่อนขั้นขึ้นไปอย่างเดียวไม่มีวันลดไม่มีวันตดไม่เราก็สั่งมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้เงินทองจะสั่งให้มันไม่หมดก็ไม่ได้ ถึงเวลามันจะหมดก็หมดถ้าใช้มันก็ต้องหมดนะถ้าจะไม่ให้มันหมดก็อย่าไปใช้มันถ้าไม่ใช้มันก็ไปมีเงินทองทำไมเมื่อมีเงินทองมันก็ต้องมาใช้กันเท่นั้นมีใครไปหาเงินทองมาเก็บไว้เฉยๆบางไม่มีหรอกมีเงินทองไปหาเงินทองมาก็เพื่อที่จะได้มาใช้กันพอใช้แล้วถ้ามันไม่ระมัดระวังก็มันก็จะติดใช้แบบไม่หยุดไม่ย่อนหยุดไม่ได้ พอหยุดไม่ได้ต่อให้มีมากมีน้อยเดี๋ยวมันก็ต้องหมดนะหมดแล้วก็เดือดร้อนวุ่นวายนี่คือการหาความสุขของคนทางโลกหาความสุขที่มีความทุกข์ตามมาเพราะลาบยศจรลลเสรรูบเสียงกิจรถนี้มันมีการมามีการไปนั่นเองเวลามันมาก็ให้ความสุขกับเรา เวลามันจากเราไปมันก็ทำให้เราเหงาทำให้เราเศร้าทำให้เราทุกข์เนี่ยอันนี้ไม่ใช่เป็นวิธีหาความสุขที่แท้จริงไม่ใช่เป็นวิธีดับความทุกข์ที่แท้จริงถ้าเรายังหาราบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกมนิ้วกายอยู่เราจะต้องหามันไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุด แล้วเราก็จะต้องเจอความทุกข์อยู่เรื่อยๆเวลาที่ลาบยศสารเสริญและความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายมันหายไปมันหมดไปนี่แหละทําไมเราจึงต้องมาหาธรรมะกันเพราะวิธีหาความสุขดับความทุกข์ของธรรมะมันจะไม่หายเหมือนกับลาบยศสารเสริญเหมือนกับรูปเสียงกลิ่นรสผลพทพะถ้าเรารู้จักหารู้จัก รักษามันจะอยู่กับเราไปตลอดไม่มีอะไรที่จะมาทำให้มันหมดไปจากใจเราได้ความสุขที่เราหาได้ทางธรรมนี้จะอยู่กับเราไปตลอดความทุกข์ที่เราดับไปมันจะดับไปตลอดมันจะไม่กลับมาสร้างความทุกข์ให้กับเราอีกต่อไปนี่คือความแตกต่างระหว่างการหาความสุขการดับความทุกข์ทางโลกกับทางธรรม ทางโลกนี้เป็นการดับความทุกข์ชั่วคราวสร้างความสุขชั่วคราวแต่ทางธรรมนี้เป็นการสร้างความสุขที่ถาวรดับความทุกข์ที่ถาวรอย่างไหนจะดีกว่ากันชั่วคราวกับถาวพรพวกเราทุกคนต้องการความถาวรกันทั้งนั้นไม่ใช่เลยอยากจะมีสุขไปตลอดอยากจะให้กับทุกขนี้หายไปตลอด ไม่กลับมาสร้างให้เราต้องเสียอกเสียใจไม่กลับมาทำให้เราต้องร้องห่มร้องไห้กันแต่ทำไมเรายังต้องเจอความทุกข์กันอยู่ก็เพราะว่าเราไม่รู้จักวิธีกำจัดความทุกข์ที่ถาวรไม่รู้จักวิธีที่สร้างความสุขที่ถาวรนั่นเองเพราะเราไม่ได้ศึกษาพราะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองถ้าเราศึกษาแล้วปฏิบัติตาม เราจะสามารถสร้างความสุขที่ถาวรน่าความกาจัดความทุกข์ได้อย่างถาวรดังนั้นเราจึงควรเข้าหาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ากันเมื่อเราได้ศึกษาแล้วเรานำเอาไปปฏิบัติแล้วรับรองได้ว่าความสุขถาวรจะโผล่ขึ้นมาตามลำดับจากน้อยไปหามากความทุกข์ที่เราดับก็จะ ดับไปอย่างทาวรจากน้อยไปหามากความทุกข์ก็จะหมดไปทีละตัวสองตัวเรื่องสองเรื่องความสุขก็จะเพิ่มมากขึ้นไปตามลำดับต่อไปจะมีแต่ความสุขเต็มเปี่ยมอยู่ในหัวใจความทุกข์ที่มีอยู่ในใจจะหายไปหมดเลยดังนั้นขอให้เราพยายามศึกษาธรรมะคาสอนกันศึกษาจากหนังสือก็ได้ถ้าเราไม่มีคนสอน ถ้ามีคนสอนก็ไปศึกษาจากคนสอนก็ได้อาจจะต้องศึกษาทั้งสองรูปแบบเพราะจะให้คนสอนมาสอนทุกอย่างเองก็ไม่ไหวต้องค้นคว้าช่วยตัวเองศึกษาด้วยตนเองไปก่อนแล้วถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็ค่อยไปถามจะจะไปได้เร็วกว่าถามัวแต่จะมารอให้คนสอนอยู่ คนสอนก็ไม่ได้จะจะมาสอนเราคนเดียวคนสอนก็มีคนมาศึกษามาเรียนเป็นร้อยเป็นพันดังนั้นเราควรที่จะเรียนทั้งสองทางเรียนทางหนังสือก่อนจนะดีเพราะหนังสือของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นหนังสือเป็นคําสอนที่ที่เป็นของนั่งเดิมของที่ของที่ไม่ ไม่ไ ม, ไม่ไม่ปลอมเป็นของแท้ของจริงศึกษาของแท้ของจริงก่อนเราจะได้รู้เวลาเราไปเรียนกับคนอื่นคนสอนว่าเขาสอนตามที่พระพุทธเจ้าสอนหรือไม่ถ้าเราไม่เรียนจากคำสอนของพระพุทธเจ้าก่อนเราไปเรียนจากคนอื่นเ ร, เราอาจจะเรียนเขาอาจจะสอนผิดแล้วเราจะไม่รู้ว่าผิดก็ได้ เพราะเราบางทีก็ไม่รู้ว่าใครเป็นพระอริยรสงฆ์ใครไม่เป็นพระอริยรสงฆ์เหมือนกับเราไม่รู้ว่าคนที่สอนนี่จบปริญญาตรีหรือไม่จบปริญญาตรีเราก็ไม่รู้เพราะเขาเพราะเพราเขาเป็นสิ่งที่เราไม่ไม่สามารถรู้ได้นอกจากว่าเรา ได้จบปริญญาตีแล้วเนี่ยเราถึงจะรู้ว่าเขาสอนในระดับปริญญาตีได้หรือไม่เหตุนี้เราก็ต้องเรียนก่อนเรียนจากพระพุทธเจ้าก่อนเรียนจากหนังสือพระไตรปิฎกก่อนเรียนพระสูตรสําคัญต่างๆเช่นการละมัสสูตรเอมงคลลสูตรธรมมจักกับปวัฒนสูตรมหาสติปัฏฐานสูตรเนี่ยคําสอนเหล่า น, นี้เป็นคําสอน ที่เป็นหลักธรรมที่เราสามารถใช้เป็นมาตรฐานวัดคำสอนของผู้อื่นได้ว่าสอนตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนหรือไม่ถ้าเราไม่ศึกษาก่อนแล้วเราไปฟังคำสอนของคนอื่นเราจะไม่รู้ว่าท่านสอนถูกหรือสอนผิดนั่นเองอันนี้ก็เรื่องของการศึกษาควรจะศึกษาจากจากแหล่งนั่งเดิม ของแท้ของจริงส่วนผู้สอนนี้มีทั้งสองรูปแบบผู้สอนที่รู้จริงก็มีผู้สอนที่รู้ไม่จริงก็มีถ้าไปเจอผู้สอนที่รู้ไม่จริงก็ก็โชคร้ายไปก็เรียนผิดผิดถูกถูกไปก็จะไม่ได้ผลเท่าที่ควรเหมือนไปซื้อสินค้าปลอมมาใช้สินค้าปลอมกับสินค้าจริงนี่มันมีคุณภาพไม่เหมือนกันสินค้าปลอมนี้ ใช้ไปแล้วไม่ไม่เกิดผลก็ได้ไม่เหมือนกับสินค้าจริงใช้ปั๊บก็ได้ผลทันทีคำสอนก็เหมือนกันคำสอนแท้กับคำสอนปลอมนี้มันก็จะทำให้เกิดผลไม่เหมือนกันอดังนั้นเราควรที่จะเข้าหาของแท้ของจริงต้องขยันหน่อยต้องค้นคว้าหาคำสอนมีไม่มากหรอกประสตรตฐหลือถ้าเรา หาไม่ได้ก็ไปทางทางสำนักของพระของวัดเขาจะมีหลักสูตรหนังสือหลักสูตรนักธรรมตีโทเอกที่เขาคัดออกมาจากพระไตรปิฎกเราก็เรียนเอาหนังสือนักธรรมตีโทเอกมาอ่านก็ได้บางเรื่องเราก็ไม่ต้องอ่านก็ได้เพราะบางเรื่องเกี่ยวกับพระถ้าเราไม่เป็นพระเราก็ไม่ต้องอ่านก็ได้ มันเรื่องเกี่ยวกับการทําพิธีกรรมต่างๆถ้าเราไม่ได้เป็นพระเราก็ไม่ต้องรู้ก็ได้รู้ในส่วนที่เกี่ยวกับเราเอาแล้วพอเราอ่านแล้วเราเอาไปปฏิบัติแล้วรู้สึกว่าไม่ก้าวหน้าหรือไม่ถูกเราก็ไปศึกษากับพระที่ปฏิบัติเอพระที่ได้ปฏิบัติพูดได้ผ่านการปฏิบัติมาแล้วท่านก็จะรู้ว่าเราปฏิบัติถูกหรือไม่ถูก น้าท่านก็จะสอนบอกว่าต้องทําแบบนี้นะทําแบบนั้นไม่ถูกเอ็นคนมานั่งถามเรื่องนั่งสมาธินั่งแล้วเห็นหนูน่นเห็นนี่พอพูดแค่นี้ก็รู้แล้วนั่งไม่ถูกแล้วเพราะน้านั่งถูกมันไม่เห็นอะไรหรอกเพราะการนั่งสมาธิเพื่อไม่ให้เห็นอะไรเพื่อหยุดเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมาในใจให้มันสงบตัวลงให้มันหยุดะ ถ้านั่งแล้วไปเห็นนั่นเห็นนี่ก็แสดงว่านั่งแบบไม่มีสติกำกับใจนั่งแล้วถ้าไม่มีสติกำกับใจเดี๋ยวอะไรต่างๆที่มีอยู่ในใจมันก็จะโผล่ขึ้นมาผุดขึ้นมาแต่ถ้าเรานั่งแบบมีสตินี้จะถูกสติคอยควบคุมไม่ให้โผล่ขึ้นมาเพราะสติจะทำให้ใจนิ่งเพราะการนั่งสมาธิก็คือเราต้องการให้ใจมันนิ่งนั่นเอง เพราะสิ่งที่เราได้จากการนิ่งก็คือความสุขใจ เ, ออเรานั่งสมาธิเพื่อความสุขใจเราไม่ต้องการที่จะไปเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นอะไรแปลกๆใหม่ๆต่างๆ อ, อ, อันนี้เห็นก็ไม่มีประโยชน์อะไรก็เหมือนไปดูหนังดีๆนี่ไปดูหนังไปเห็นไ ม, ม่มีหนังหลายแบบดูสัตว์ล้านปีก็มีหนังเออรื่อดู ายาอนาวกาศในยุคในในร้อยปีพันปีข้างหน้าก็มีให้ดูดูแล้วก็เท่านั้นดูแล้วมันก็ผ่านไปมันไม่ได้มาทำให้ใจเรามีความสุขแต่อย่างใดเหมือนกับไม่ได้นั่งสมาธิเหมือนกับไปดูหนังถ้านั่งแบบปล่อยให้ใจผลิตอะไรต่างๆมาให้ดูเลยก็ ถือว่าไม่ใช่เป็นการนั่งสมาธิถ้าเป็นสมาธิก็เป็นสมาธิผิดก็เรียกว่ามิจฉาสมาธิเถ้าสัมมาสมาธินี่ต้องเป็นใจที่สงบนิ่งว่างเย็นสบายไม่มีอารมณ์ไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงอันนี้แหละเป็นตัวเป็นฐานของจิตฐานของความสุขของจิตอยู่ตรงนี้ แล้วเราพอรู้แล้วว่าความสุขอยู่ตรงนี้แล้วต่อไปแล้วก็พยายามรักษาจิตให้มันอยู่ตรงจุดนั้นถึงแม้จะออกจากสมาธิมาพระพุทธเจ้าก็มีวิธีที่จะสอนให้เรารักษาจิตให้อยู่ในจุดนั้นต่อไปได้โดยที่ไม่ต้องกลับเข้าไปในสมาธิก็ได้ท่านก็สอนวิธีสอนว่าเหตุที่จะดึงจิตให้ออกจากจุดนั้นก็คือความอยากต่างๆ น, นี่เอง ถ้ามีความอยากแล้วจิตก็จะเริ่มออกจากความว่าง อ, ออกจากอุเบกขาะจะเข้าหาความรักความชางังความกลัวความหลงแล้วก็จะเกิดความวุ่นวายใจต่างๆตามมาถ้าอยากจะให้ใจสงบนิ่งเยน็นสบายเหมือนตอนอยู่ในสมาธิก็ให้ใช้ปัญญาสอนว่าอย่าไปทำตามความอยากใช้สติดึงใจกลับเข้าไปสู่ความสงบ ใจอยากก็พุโทโธพุโทโธไปอยากไปคิดถึงสิ่งที่ใจอยากหรือถ้าอยากคิดก็คิดว่าสิ่งที่ใจอยากนี้เป็นอันตราย เ, าเป็นเหมือนยาพิษถ้าเราอยากจะกินอะไรแล้วถ้าเรารู้ว่ามันมียาพิษผสมอยู่นี่เราจะไม่กล้ากินทันทีฉันใดความสุขที่เราคิดว่าจะได้จากสิ่งนั้นสิ่งนี้ถ้าเรามองด้วยปัญญาเราจะเห็นว่ามันมีความทุกข์ผสมอยู่ด้วย ได้มาแล้วเดี๋ยวจะต้องทุกข์ใจได้แฟนมาก็สุขตอนแต่งงานกันแต่งไปแล้วเดี๋ยวก็ต้องมาทุกข์กับแฟนเดี๋ยวแฟนเมาเดี๋ยวแฟนไปเที่ยวทิ้งเราอยู่บ้านคนเดียวเดี๋ยวแฟนไปแอบมีแฟนข้างนอกบ้านทีนี้ความสุขที่ได้จากแฟนก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาแต่เราไม่ยอมคิดกันไม่ยอมมองกันเราคิดว่าแฟนนี่จะเป็นแฟนของเราเหมือนเจอกันวันแรกเหมือน ตอนแต่งงานกันวันแรกจะเป็นอย่างนั้นทุกวัน อ, อชี้นกเป็นนกชี้ชกาเป็นกาเอ อ, เ อ, อมันไม่เป็นอย่างนั้นหรอกเนออีนี่คือไม่มีปัญญาถ้ามีปัญญาก็ศึกษาดูเสร็จมีตัวอย่างต้องเยอะแยะบางคนที่ก็แต่งงานก็นแล้วเป็นยังไงมองเข้ายังไม่ทันดับก็ตาตาบวมขึ้นมาแล้วตาแดงขึ้นมาแล้วออออกลายเป็นคู่โชกกันนะออแต่จะเป็นการ แทนที่เป็นคู่รักก็กลายเป็นคู่ชกคู่ซ้อมกันไปซะนี่แหละคือปัญญาให้มองอย่างนี้มองว่าสิ่งที่เราอยากได้มาให้ความสุขกับเราเดี๋ยวมันจะต้องให้ความทุกข์กับเรามันจะสอกเรากลับนะจะถูกมันสอกกลับโดยไม่รู้สึกตัวถ้าคิดอย่างนี้ได้เราก็จะไม่เอาดีกว่าพอไม่เอาความอยากหาไปใจก็กลับมาสงบมีความสุขเหมือนเดิมนี่คือวิธี กำจัดความทุกข์สร้างความสุขอย่างถาวรต้องทำด้วยการฝึกจิตทำจิตให้สงบการทำบุญละบาปนี้ก็ทำให้ได้ในระดับต้นๆแต่ในระดับปลายนี้จะต้องไปทำในการทำจิตให้สงบและการใช้ปัญญาสอนใจให้ยุติความอยากต่างๆไม่ให้ไปทำตามความอยากต่างๆ เราใจถึงจะได้เข้าถึงความสุขที่สมบูรณ์ดับความทุกข์ได้อย่างสมบูรณ์การทําบุญก็สร้างความสุขได้ในระดับหนึ่งระดับต้นๆการรักษาศีลไม่ทําบาป ก, ก็ระงับความทุกข์ได้ในระดับต้นๆแต่ความสุขในระดับปลายกับความทุกข์ในระดับปลายนี้ต้องใช้การเจริญสติ ควบคุมจิตใจทําใจให้สงบนั่งสมาธิทําใจให้ว่างให้เย็นให้สงบแล้วพอจิตเย็นแล้วก็รักษาความเย็นเวลาออกมาด้วยการคอยกําจัดความอยากต่างๆทุกครั้งที่เกิดความอยากต้องมองให้อันว่าสิ่งที่เราอยากได้นี้มันทุกข์มากกว่าสุขสุขเดี๋ยวๆแล้วเดี๋ยวก็จะต้องเจอความทุกข์จากสิ่งที่เราได้มานั่นแหละพอรู้อย่างนี้เราจะได้ไม่อยากได้ ต่อไปใจไม่ก็จะไม่มีความอยากเมื่อไม่มีความอยากก็จะไม่มีอะไรดึงใจให้ออกจากความสงบออกจากความว่างใจก็จะอยู่กับความว่างกับความสงบไปตลอดอย่างท้าวอนพระพุทธเจ้าจึงบอกว่านิบานังปรมังสุขขังนิบานังปรมังสุญญ์อะสุญญ์ก็แปลว่าความว่างของจิตความว่างของจิตนี้ทําให้เกิดความสุขอย่าง อย่างยิ่งใหญ่นิบานังปรมังสุ ข, ขังเพราะนิบานังปลมังศูนย์ยังนิบานังก็แปลว่าจิตที่สงบจิตที่กําจัดความโลภความอยากต่างๆให้หมดไปจากจ่ายแล้วนั่นเองก็จะเป็นจิตที่ว่างจิตที่เต็มไปด้วยความความสุขไปตลอดนี่แหละคือวิธีที่เราจะมาใช้ในการกําจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดไป สร้างความสุขที่แท้จริงให้อยู่กับใจไปตลอดต้องอาศัยการศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าศึกษาแล้วก็นำาเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติถ้าสรุปโดยย่อๆแล้วคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ไม่มากเลยมีแค่สาหัวข้อเท่านั้นเองคือละการกระทำบาปทั้งปวงสร้างบุญสร้างกุศล ให้ถึงพร้อมทำบุญแบบไหนได้มีโอกาสก็ทำทำไปถ้าไม่มีโอกาสก็ไม่ต้องทำเช่นถ้ามีเงินก็เอาไปทำบุญดีกว่าเอาไปเที่ยวแต่ถ้าไม่มีเงินไปเที่ยวก็ไม่ต้องเอาเงินไปทำบุญก็ได้ถ้ามีโอกาสไม่ใช้บุญแต่ใช้ร่างกายทำประโยชน์ก็ทำไปเช่นมาช่วยถ่ายทอดสดนี่ก็ไม่ต้องเสียเงินนอกจากค่าน้ามันรถก็มาทำ ทำนี้ก็เป็นการทําบุญเหมือนกันแต่ถ้ามีเงินก็เอาใช้เงินทําก็ได้ไม่มีเงินใช้แรงกายแรงใจแรงวาจาทําก็ได้ก็เป็นบุญเหมือนกันรับใช้สังคมรับทําประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่นอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการทําบุญทํากุศลเหมือนกันรายลิเอของพวกนี้ต้องไปศึกษาแต่หัวข้อใหญ่ๆก็มีสามก็ ละการกระทําบาปทั้งปวงบาปก็มีหลายข้อแล้วก็ยังประโยชน์บุญกุศลให้ถึงพร้อมก็มีหลายแบบหลายข้อชำระใจให้สะอาดบริสุทิก็คือฝึกสมาธิและเจริญปัญญานี้เองถ้าเราศึกษาเข้าใจ ก็ปฏิบัติง่ายไม่ต้องไปศึกษาให้มากไม่ต้องจําเป็นจะต้องศึกษาทั้งพระไตรปิฎกวะพระไตรปิฎกก็สอนสามเรื่องนี้แหละแทนเป็นรายละเอียดที่มันเกิดขึ้นในแต่ละเหตุการณ์พระพุทธเจ้าก็สอนไปตามเหตุการณ์นั้นๆเท่านั้นเองแต่มันก็มารวมอยู่ตรงที่สามหัวข้อใหญ่ๆนี้ ดังนั้นขอให้พวกเราให้ความสนใจกับธรรมเถิดเพราะความยินดีในธรรมจะทําให้เราได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมรถแห่งธรรมนี้เป็นรถที่ชนะรถทั้งปวงรถที่ชนะรถทั้งปวงก็คือรถของพระนิพพานนี้เองนิบบานังปะลมังสุขขังการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร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 จันโทปนะหราโสยถามณีโชติหราโสยถาสัพีติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวะตะวันตารายุสุขีทีขายุโกภวะ อาพิวาทานาสิลิตะนิจังวุทธาปจายิโนจตารูธัมมวัฏานติอายุวันโนสุขังภาลังมาด้วย <c oughs> กันเลยแปลว่า ม, <c oughs> มีอะไรอยากจะถามหรือเปล่า <c oughs> เนื้อไม่มีอ่า <c oughs> <c oughs> ถ้ามีก็ถามได้นะเดี๋ยวจะตอนนี้จะเป็นช่วงให้เปิดโอกาสให้ใครมีคำถามก็ถามได้วันนี้เข้ามาเท่าไหร่ค่ะวันนี้ f a c e b o o สามร้อยห้าสิบห้าสิบสามสองร้อยี่สิบสามวิทยุออนไลน์สามสิบสี่รับฟังบนเขาสามสิบเจ็ดรวมทั้งสิ้นหกร้อยสี่สิบเจ็ดค่ะ เดีย๋ยวนี้ยูทูบเพิ่มขึ้นไปเลนยนะเดี๋ยวนี้แต่สองร้อยกว่าอตอนเริ่มต้นมีสิบบ้างยี่สิบบ้างเดีย๋ยวนี้สองร้อยกว่าเฟซบุ๊กอยู่เท่าเดิมประมาณสามร้อยสี่ร้อยจำออนไลน์เดี๋ยวนี้ไม่มีปัญหาแล้วใช่ไหะเรื่องมีปัญหาอยู่เลยวิทยุมีอยู่ๆทุกวันวิทยุจะเจอทุกวัน วันอาทิตย์นะฮะ <Yeah. S 1> แต่ก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาซอฟแวร์ครับนะฮะแต่ก็พอพอวันแงก็กลับมาดีเหมือนเ oh. ตอนนี้ใครมีคําถามอยากจะถามก็ถามได้จะส่งไมโครโฟนไปให้ถ้าจะพูดกอให้พูดผ่านทางไมโครโฟนจะได้ยินเสียงชัดถ้าไม่มีคําถามก็ฟังคําถามของผู้อื่นไปก่อนก็ได้ ถ้ามีคำถามทางบ้านก็ส่งเข้ามาได้ไม่ชีจะมีอะไรพูดหรือเปล่าไม่มีนะาาถามได้เลยน ะ, ค, ะคำถามแรกเป็นคำถามจากทางไลน์ค่ะกราบนมัส ก, การหลวงพ่อเจ้าค่ะ ยมรู้จักกับพี่คนหนึ่งแกเล่าว่าที่บ้านปลวกขึ้นต้นไม้และบ้านเลยให้คนมาฉีดปลวกที่บ้านยมคิดว่าสีนข้อหนึ่งมันผิดแต่เขาบอกว่าขณะเวลานั้น เจตนาจิตและจิตของพี่เขาไม่มีบาปหรือบุญใดเกี่ยวเกาะไม่แปลความหมายใดๆเช่นเดียวกับปลวกก็ไม่มีบาปใดเกี่ยวใจมันว่างจากสภาวะยมขอความเมตตาจากหลวงพ่อช่วยอธิบายให้กระจ่างด้วยเจ้าค่ะถ้าเราวางใจแบบนี้ไม่บาปเหมือนพี่เขาบอกใช่หรือไม่เจ้าคะคือใจถ้ามีเจตนาเขาตายแต่ยังไม่ได้ทามันก็ยังไม่บาป มันเป็นบาปทางใจคิดร้ายกับเขาอยากจ่าเขาตายอย่างเงี้ยแต่เราไม่ได้ไปทำเองพอดีเขาเดินไปลื่นหกลม้มศีรษะก็แทะพื้นตายอันนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวกับเราเราไม่ได้เป็นคนกระทํางนีมันก็ไม่บาปถ้าเราไม่ได้ไปแต่ถ้าเราไปสั่งให้คนนั้นช่วยฆ่าคนนี้ให้หน่อยสิแต่าอานนี้เราไปทำให้เขาตายอย่างเงี้ยบาป เพราะว่าเราเป็นผู้ดำริผู้สั่งการกระบาปนี้ทำเองก็ดีหรือสั่งให้เขาทำก็ดีกับบาปแต่ถ้าเราไม่ได้สั่งเขาเอาสาสมัครทำให้เองเขารู้ว่าเราไม่ชอบคนนี้แล้วเขารู้ว่าเราเราทำบาปไม่ได้แต่เขาอยากจะทดแทนบุญคุณให้กับเราหรือเขาต้องการอะไรจากเราอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเขาก็ทำไป อันนี้เราไม่บาปเพราะมันไม่ได้ออกจากคำสั่งของเราเราไม่ได้สั่งให้เขาไปทำบาปเช่นการกำจัดปลวกนี่ถ้าเราสั่งให้เขามากำจัดก็บาปแต่ถ้าเขารู้ว่าเรามีปลวกแล้วเขาสงสารเราเขาอยากจะช่วยเรามากำจัดให้โดยที่เราไม่ได้ไปสั่งเขานี้ไม่บาปเป็นเป็นความหวังดีของเขาอันนี้ก็ไม่บาป ญาติโยมบางคนก็เห็นกุติพระปลวกขึ้นเนี่ยเขารู้ว่าถ้าปล่อยไว้มันก็ต้องพังญาติโยมเขาปกติเขากท็ทำบาปอยู่ที่บ้านเขาอยู่แล้วเขาก็กำจัดปลวกอยู่ที่บ้านเขาอยู่แล้วเขาก็เลยถือว่าเป็นเรื่องปกติของเขาเขาก็มาทำให้อย่างนี้พระก็ไม่บาปแต่โยมมาทำบาปแต่เขายินดีทำเพราะว่าเขา เคยมาส่วนหนึ่งเขาได้บุญจากการที่มาช่วยรักษากุติรักษาโบจดีทาวรนวัตถุไม่ใหเ้เสียหายเขาก็ได้บุญตรงส่วนนี้ไปแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ได้บาปจากการที่ไปฆ่าปลวกที่มาทำร้ายแต่เขาก็อยู่กับการฆ่าเป็นปกติเพราะคนบางคนยังไม่พ้นจากสภาพนี้อยู่ยังต้องยิงนกยังต้องไปหา ปลามากินอย่างนี้ชาว้งชาวบ้านเขาไม่มีตลาดไม่มีอะไรเขาอยากจะกินปลาเขาก็ไปตกปลาอยากจะกินเนื้อไก่เขาก็ฆ่าไก่ที่เขาเลี้ยงมากินมันก็เป็นปกติวิสัยของเขาแล้วเขาก็าทำด้วยความยินดีเขาทำเพราะว่าเขาเขาเขาคิดว่าเขาอยู่ในสภาพอย่างนี้ยังนั้นการที่จะไปทำประโยชน์จากการที่เขาทำแบบนี้เขาก็ เขาก็ทำเพราะเขาก็ทําเพื่อประโยชน์เขาฆ่าเป็ดค่าไก่ก็เพ well ื่อเป็นประโยชน์กับการเลี้ยงชีพของเขาเขาไปช่วยกำจัดปลวกที่วัดก็เป็นการช่วยรักษาวัดวารามอันนี้ก็เขาก็ว่าเป็นประโยชน์เรื่องของการทําบาปเขาก็ยอมรับว่าเขาทาบาปเขาก็ทําไปอันนี้ก็เหมือนการบริสัทธ์กำจัดปลวกเขาก็เขาก็ยินดีกำจัดเขาก็รู้ว่าบาป แต่เขามันต้องมีอาชีพเลี้ยงปากเลี้ยงทองเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเลี้ยงสามีเลี้ยงครอบครัวถ้าไม่มีงานกาจัดปลวกเขาก็อยู่ไม่ได้เขาก็ทำไปแล้วพอเขารู้ว่าที่วัดมีปลวกเขาก็จะมาช่วยกาจัดให้มันก็มันก็ไม่บาปสำหรับวัดสาหรับพระเพราะพระไม่ได้ไปสั่งเขาอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเรา ไปบอกเขาว่าที่บ้านเราปวกขึ้นนะเขาบอกเขาว่าจะมากำจัดให้เออันนี้เราก็ไม่ได้สั่งเขาแล้วใช่ไหมเราเพียงแต่บอกให้เขารู้เฉยๆถ้าเราบอกเขาแล้วเขาเฉยๆเขาไม่มาก็เราก็ทําแล้วก็ต้องปล่อยให้เฉยๆไปเขาจะมาไม่มานี่เขาจะมาทําไม่ทํามันอยู่ที่ใจของเขาคําถามข้อต่อไปจากทางไลน์ค่ะ คำถามฝากถามค่ะเมื่อวานที่พระอาจารย์สอนว่าการจะหยุดความคิดและความอยากนั้นให้คิดถึงสิ่งที่ทำให้ทุกข์ในอดีตเพื่อเราจะได้ไม่ทำสิ่งนั้นซ้ำอีกสงสัยว่าการฝึกคิดแบบนี้จะเป็นการฝึกให้เรามองโลกในทางลบหรือไม่คะไม่เราเป็นการสอนว่าเราทำนี้ผิดเราก็อย่าไปทำอีกแค่เราดื่มยาพิษแล้วทาให้ท้องเสียอย่างนี้ คราวหน้าเราก็อย่าไปดื่มมันสิดื่มเครื่องดื่มชนิดนี้เราทําให้ท้องเสียเราก็อย่าไปดื่มมันมันไม่ได้เป็นทางลบมันเป็นการแก้ปัญหาการผิดพลาดที่เราทําไปถ้าเรารู้สาเหตุว่าเราทําแล้วทําให้เกิดผลเสียหายกับเราเราก็อย่าไปทํามันอีกเท่านั้นเองไม่ใช่เป็นทางลบเป็นทางแก้การสร้างปัญหาสร้างเรื่องมันแล้วใเรื่องสร้างความทุกข์ให้กับเราถ้าเราไม่ไป ดื่มเครื่องเดื่มชนิดนั้นท้องเราก็จะไม่เสียถ้าเราดื่มแล้วท้องเสียเราก็ต่อไปก็อย่าไปดื่มมันได้นั่นเองอันนี้ก็เหมือนกันเหตุการณ์ในอดีตเราทําแล้วทําให้เราทุกข์ขึ้นมาเราก็อย่าไปทํามันอีกต่อไปเป็นบทเรียนสอนใจจะได้ประวัติศาสตร์จะได้ไม่ซ้ํารอยที่กป็ปฏิวัตปิประวัติศาสตร์ซ้ํารอยก็เพราะว่าเราลืมเราชอบลืมกัน หรือว่าทำอย่างนี้แล้วจะเจอทุกข์ก็กลับไปทําซ้ําอยู่เรื่อยๆฉันมีแฟนแล้วทุกข์ยากันไปได้ไม่นานเดี๋ยวลืมอีกแล้พอแฟนใหม่เจอแฟนใหม่ก็ลืมความทุกข์ที่ได้จากแฟนเก่าก็จะคิดว่าแฟนใหม่นี้จะไม่ให้ไม่ทําให้เราทุกข์พอไปได้แฟนใหม่ไม่นานอ้าวทุกข์เหมือนเดิมอีกแล้วเพราะทุกคนมันเหมือนกันจะไปคิดว่าดีไม่มีหรอกดีก็ดีเดี๋ยวเดียว ในช่วงตอนที่เขาอยากได้เรานะตอนเขาได้เราแล้ ว, ลวเขาไม่สนใจเราแล้ ว, ลวค่ะคำถามข้อต่อไปจากคุณน้อยค่ะกราบนามัสการพระอาจารย์ค่ะเรียนถามว่ากรณีเราทําบุญแผ่กุศลให้ผู้ร่วงลับซึ่งไม่ได้นับถือศา ส, สนาพุทธซึ่งตามความเชื่อของเขาเขาไปอยู่กับพระเจ้าในกรณีนี้เรายังทําบุญแผ่กุศลให้ไปต่อไปเรื่อยๆจะเป็นการสมควรใช่ไหมคะ คือเราทําได้แต่เขาจะรับได้หรือไม่อยู่ที่ว่าเขารอรับหรือไม่เขาต้องการหรือไม่เพราะฉะนั้นคนที่ตายไปนี่มันไปเป็นหลายอย่างเนี่ยถ้าเขาไปเป็นเทวดานี่เขามีบุญมากเขาไม่ต้องมารอรับส่วนบุญถ้าเขาไปเป็นเปรตนี่เขาไปเป็นเหมือนไปเป็นขอทานเขาก็จะมารอรับส่วนบุญถ้าเราส่งไปเขาก็จะรับได้ ไม่ว่าเขาจะนับถือศาสนาใดก็ตามแล้วการที่ทำไปเป็นเปรต น, นี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่ารับนับถือศาสนาหรือไม่นับถือศาสนาแม้แต่ไม่รับถือศาสนาพุทธก็ไปเป็นเปรตได้ถ้าทำบาปด้วยความโลภท่านเหตุตัานแจงว่าการไปเป็นเปรตก็คือการทำบาปด้วยความโลภอยากได้อะไรก็ไปขโมยของเขาแทนที่จะไปซื้อเอง อันนี้เรียกว่าทาบาปด้วยความโลภแล้วมันก็จะทําให้ใจเป็นเปรดขึ้นมาใจหิวใจอยากได้ของคนอื่นอยู่เรื่อยๆเล ย, เลยไม่เลยไม่มีการทําบุญเพราะเสียดายเงินได้เงินมาก็อยากจะเก็บเอาไว้ให้กับตัวเองจะได้มีเงินมากๆเลยไม่ชอบทําบุญตายไปเลยไม่มีบุญเพราะบุญนี้เป็นเหมือนอาหารที่ใจจะต้องใช้ในขณะที่ไม่มีร่างกาย ีนถ้าไม่มีบุญมันก็หิวหิวก็เลยต้องมาขอบุญจากคนอยากญาติพี่น้องที่ยังมีชีวิตอยู่ที่เราไม่รู้ว่าเขามาขอหรือไม่ขอถ้าถ้าเขาไม่มาเข้าฝันเราก็จะไม่รู้และการเข้าฝันก็ไม่รู้ว่าเป็นเขาหรือเราเป็นเราบางทีเราไปคิดถึงเขาก็ได้แล้วเราไปคิดถึงเขาก็มันก็แสดงว่าเขาไม่ได้มาขออะไรจากเราเราไปห่วงเขาเอง แล้วก็ฝันคิดถึงเขาแล้วเราก็อาจจะคิดว่าเขามาขอบุญจากเราแต่เราก็สามารถทําบุญได้เพื่อความไม่ประมาทเผื่อไว้ก็แล้วกันเฉพาะคนที่เราโดยเฉพาะคนที่เรารักเราเคารพเราอยากจะช่วยเหลือเขาถึงแม้เขาจะมาไม่มาเข้าฝันไม่มาบอกว่าเขาขอบุญเราเวลาทําบุญนี่เราก็สามารถอุทิศบุญไปให้เขาได้ คำถามข้อต่อไปจากคุณจินดาทางเฟซบุ๊กค่ะกราบนมัสการขอถามค่ะเราจะบาปไหมคะที่เราจำเป็นต้องมาฟังเรื่องโกหกทั้งที่เรารู้ว่าเขาพูดโกหกแต่เราแก้ต่างให้เขาไม่ได้ค่ะการโกหกถ้าเราไม่โกหกไม่บาปคนบาป ก, ก็คือคนที่โกหกคนฟังไม่บาปเห็นถ้าเกิดคนใครพูดโกหกคนฟังบาป ก, ก็ตอนพระก็ฟังโยโกหกพระก็บาปตามไปด้วย ไม่บาปบาปอยู่ที่คนพูดคนฟังไม่บาปหรือบางทีกรรมของคนฟังต้องต้องมาเจอคนพูดก็ต้องทนฟังไปก็ฟังไปเฉยเฉยฟังแล้วก็ปล่อยปล่อยมันผ่านไปไม่ต้องเอามาแบกให้มันหนัก อ, อกหนักใจอย่างโบราณที่ว่ารู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามรู้ได้ทุกอย่าง เขาพูดโกหกไม่โกหกเขาพูดจริงไม่จริงก็รับรู้ไว้เฉยๆรู้แล้วก็ผ่านไปอย่าเอามาคิดให้หนักอกหนักใจคำถามข้อต่อไปจากคุณบุรพาค่ะการแผ่อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้พ่อแม่ที่ล่วงลับไปแล้วเราไม่ออกชื่อพ่อแม่แล้วท่านจะได้รับส่วนบุญส่วนกุศลหรือไม่ครับ ถ้าเราไม่บอกว่าเป็นใครเขาก็รับไม่ได้เหมือนเขียนเช็คแล้วไม่บอกว่าเป็นชื่อใครนี่เขาเอาไปขึ้นขึ้นเงินไม่ได้ยั Jadi เราต้องกล่าวว่าขอให้ไม่ต้องบอกชื่อก็ได้บอกแค่ว่าขอให้แม่ให้พ่ออย่างนี้ก็พอให้รู้ว่าเป็นใครก็แล้วกันถ้าเกิดเราจําชื่อพ่อแม่ไม่ได้ตายไปนานแล้วก็ไม่ต้องเอาชื่อก็ได้แต่ขอเอาคําว่าพ่อหรือว่าแม่พี่หรือน้องไปก็แล้วกันให้เขารู้ว่าเป็นใครเพราะว่าเขาเจ๋งจะรับได้ ถ้าเราไม่บอกเดี๋ยวเขาไม่กล้ารับจะไปไม่ถึงเขาเหมือนส่งส่งของไปทางไปรษณีย์ถ้าไม่จ่าหน้าเขียนชื่อคนรับไปรษณีย์ก็ไม่รู้จะไปส่งให้ใครคำถามจากทางเฟซบุ๊กคุณฝ้ายจ่าค่ะขอเรียนถามครับเคยมีสภาวะจิตรวมมาก่อนแล้วจําสภาวะได้แต่ทุกวันนี้เวลานั่งสมาธิจะได้แค่จิตสงบลงแล้วจิตไม่รวม จิตไม่รวมครับขอแนวทางกับการปฏิบัติด้วยครับกราบขอบพระคุณครับคือจิตจะรุมไม่รวมนี้มันอยู่ที่กําลังของสติถ้าเรามีสติกําลังมากสามารถหยุดความคิดได้อย่างเต็มที่มันก็รวมได้ถ้าสติมีกําลังไม่มากพอก็ยังไม่สามารถที่จะหยุดความคิดได้เต็มที่มันก็ยังไม่รวมมันก็จะสงบแบบไม่เต็มที่ เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะสงบให้แบบรวมเราต้องพยายามเจริญสติให้มากแล้วต้องอยู่ในที่ที่ไม่มีอะไรมาลบกวนใจเช่นไปหาที่ที่สงบไม่มีอะไรวุ่นวายรอบตัวเราไม่มีคนไม่มีเสียงไม่มีอะไรมารบกวนใจอันนี้ก็จะทำให้ใจเราสงบได้แต่อย่าไปนึกถึงความสงบการรวมของจิตที่เราเคยได้ในอดีตเพราะการไปนึกถึงมันไม่ได้ทำให้มันกลับมาได้ มันจะไม่มันจะกลับมาก็ต่อเมื่อเราใช้สติหยุดความคิดเท่านั้นบางคนเข้าใจผิดคิดว่าพอจิตเคยสงบแล้วต่อไปเราก็ไม่ต้องทําสมาธิไม่ต้องเจริญสติเพียงแต่นึกถึงความสงบที่เราเคยได้แล้วมันจะสงบมันไม่สงบเปลหมือนเรากินข้าวเมื่อวานอิ่มแล้ววันนี้เราหิวข้าเราคิดถึงความอิ่มเมื่อวานนี้แล้วมันทําให้เราอิ่มหรือเปล่ามันไม่อิ่มแล้วเราต้องกินข้าวใหม่มันถึงใจอิ่ม ฉันใดจิตที่เคยรวมคราวที่แล้วก็เพราะว่ามันมีสติทำให้มันสงบว่าคราวนี้มันไม่สงบเพราะสติเราหายไปสติเราไม่มีกำลังพอเราก็ต้องสร้างสติขึ้นมาแล้วถ้าสติมีกำลังพอเมื่อไหร่มันก็ทำให้จิตรวมได้เหมือนกัน คำถามข้อต่อไปจากคุณ SJ ทาง YouTube ค่ะก่อนหน้านี้รู้สึกว่าสมัยนี้อาหารการกินต้องระวังทุกอย่างเพราะก่อโรคมะเร็งพอศึกษาและปฏิบัติสักระยะหนึ่งคิดว่าระวังอย่างไรก็จะต้องเป็นอยู่ดีรักษาใจตั้งใจแต่ตอนนี้ดีกว่าขอพระอาจารย์สอนวิธีรักษาใจด้วยค่ะก็นี่หละก็มันมีหลายระดับในการการรักษาใจ ถ้าเรากังวลกับเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องยอมต้องเอ า, เอาปัญญาที่พระเจ้าสอนว่าเกิดมาแล้วต้องเจ็บไข้ได้ป่วยกันทุกคนไม่มีใครร่วงพ้นไปได้จะมากจะน้อยจะชา้าจะเร็วมันก็อยู่ที่เหตุปัจจัยบางคนกินอาหารผิดประเภทมันก็เจ็บไข้ได้ป่วยได้เร็วบางคนที่กินอาหารไม่ผิดประเภทเนี่ยเราก็ยังเลือกได้อาหาร บางประเภทเราที่มีโทษน้อยกว่าเราก็เลือกกินที่มันมีโทษน้อยกว่าอย่าไปเลือกกินอาหารตามรสตามความอยากของเราให้กินตามตามประโยชน์ของอาหารดีกว่าแล้วดูประโยชน์ดูดูโทษของอาหารอย่าไปเลือกดูรสชาติหรือสีสันบางีของที่สีสันดีสวยแต่อาจจะมีโทษเพราะมันเกิดจากที่เขาใช้สาร กำจัดมแมลงทำให้ไม่ไมีมมแมลงมาทำให้ผลไม้เรื่องขอ ง, ะงอะไรมันไม่มันไม่สวยแต่ของผลไม้ไม่สวยอาจจะไม่มีโทษเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้ยาฆ่ามแมลงเพราะฉะนั้นอย่าไปดูที่รูปเสียงกลิ่นรสของอาหารให้ดูที่คุณนิโทษของอาหารคำถามข้อต่อไปจากคุณสองเค a m บ l ฟค่ะ กรับนมัส ก, การพระอาจารย์เจ้าค่ะดิฉันได้เคยฟังซีดีธรรมะของพระอาจารย์เรื่องปัญญาทางโลกและปัญญาทางธรรมตั้งแต่มีลูกดิฉันได้ออกมาดูแลลูกต้องพึ่งไรายได้จากสามีแบบนี้ถือว่าบกพร่องต่อปัญญาทางโลกไหมคะมันไม่เกี่ยวกันพึ่งพึ่งสามีแล้วปัญญาทางโลกมันเป็นยังไงไหมหมายถึงว่าเราไม่มีความรู้ที่จะไปเลี้ยงชีพของเราใช่ไหม ถ้าเราเลี้ยงชีพของเราไม่ได้เราต้องพึ่งสามีก็แสดงว่าเราไม่มีความสามารถไม่มีความรู้ที่จะไปใช้ความรู้ทางโลกไปประกอบอาชีพหาเงินหาทองเพื่อเราจะได้ไม่ต้องไปพึ่งสามีถ้าบกพ้่องก็บกพร่องเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้เรียนหนังสือหรือเปล่าไม่ได้จบมาหาลัยไปทำงานก็ไม่มีใครเขาจะรับเราทำงานเพราะาเราไม่มีวุฒิอย่างนี้ก็แสดงว่าระบกองการศึกษาทางโลก คำถามข้อต่อไปจากทาง Facebook ค่ะกราบเรียนถามว่าถ้าระหว่างทำงานดูแลผู้ป่วยที่ทำอยู่แล้วไปปฏิและไปปฏิบัติเป็นช่วงๆครักละไม่เกินสองสัปดาห์เทียบเทีย บ, บกับกเกษียณตัวเองไปอยู่ศูนย์ปฏิบัติธรรมเพื่อช่วยทำงานในโครงการปฏิบัติธรรมรวมถึงงานแปลหนังสือธรรมะภาษาอังกฤษและงานแปลเป็นสามภาษาธรรมะ ได้ได้มีเวลาปฏิบัติธรรมมากขึ้นและได้มีโอกาสสอบถามธรรมที่ไม่เข้าใจจากครูอาจารย์โดยตรงไม่ทราบว่าอย่างไหนจะดีกว่ากันคะคนที่ทำงานหรือกเกษียณดีคะถ้าทำงานต่อดูเหมือนจะอับจนหนทางที่จะได้มีเวลาไปปฏิบัตินานๆเจ้าค่ะมันก็อยู่ที่เวลาของการศึกษากับของการปฏิบัติถ้ามีให้มันมากมันก็จะได้ผลมากขึ้นถ้ามีเวลาน้อยมันก็จะได้ผลน้อย ศึกษาน้อยปฏิบัติน้อยมันก็ซื่อศึกษามากปฏิบัติมากไม่ได้ค่ะคำถามจากคุณ K. ครค่ะพระอาจารย์กล่าวถึงการรวมจิตลงได้ในคราวก่อนแต่พอปฏิบัติมาปฏิบัติใหม่อีกเราไม่ควรนึกถึงอารมณ์อันเดิมเพราะอะไรคะเพราะมันจะทำให้จิตไม่รวมนั่นเองเพราะเราส่งจิตไปอดีตแล้วไม่ได้อยู่ในปัจจุบัน จิตจะรวมก็ต่อเมื่อมันอยู่ในปัจจุบันหรืออดีตหรืออนาคตก็คือหยุดคิดนั่นเองอดีตอนาคตก็เกิดจากการคิดของเรานี่เองนั้นเราต้องหยุดความคิดเมื่อหยุดความคิดเราก็จะหยุดอดีตเราก็จะไม่คิดถึงอดีตไม่คิดถึงอนาคตเมื่อไม่คิดถึงอดีตของอนาคตจิตก็อยู่ในปัจจุบันจิตก็จะรวมได้การทําหมันให้กับแมวเป็นบาปไหมคะได้บาปหรอกค่ะ คำถามจากคุณศิรินันค่ะปัจจุบันมีธุรกิจการทำศพให้สุนัขลูกมีข้อสงสัยด้วยสุนัขชาตินี้เกิดมาเป็นสัตว์ไม่ได้ทำบุญเมื่อตายไปเจ้าของเอาไปวัดให้พระสวดบางสกุลให้สุนัขและทำพิธีเผาลอยอังคารเช่นเดียวกับที่ปฏิบัติกับคนลูกสงสัยว่าสุนัขจะได้บุญที่เจ้าของทำให้หรือไม่และจะได้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีหรือไม่เจ้าคะ อ, อ๋อไม่ได้หรอกคนตายหรือสัตว์ตายไม่ได้บุญหรอกคนที่ได้บุญก็คือคนทํานั่นแหละเจ้าของหมานั่นแหละเป็นคนได้บุญหมาไม่ได้บุญคนตายไม่ได้บุญญาติพี่น้องที่ทําบุญให้กับคนตายนั่นแหละได้บุญคนตายนี่หมดสิทธิ์ไม่ได้ทั้งบุญไม่ได้ทั้งบาป งั้นถ้าอยากจะได้บุญหรือได้บาปต้องทำที่ตอนมีชีวิตอยู่เท่านั้นตอนตายแล้วคนอื่นทำให้เราไม่ได้ทำได้ก็เพียงแต่แบ่งส่วนบุญที่เขาทำให้กับเราเพียงเล็กๆน้อยๆเป็นเหมือนเงินที่เขาแบ่งให้ขอทานเท่านั้นเองงั้นเป็นเป็นบุญนิดเดียวยงั้นถ้าเรายังมีชีวิตอยู่รีบทำบุญเสียเวลาตายไปเราคนอื่นทำให้เราไม่ได้เขาทาของเขาเขาได้ของเขาแล้วเขาแบ่งให้เราได้นิดเดียว เช่นทำร้อยบาทเขาแบ่งให้เราได้บาทเดียวตอนาฉะนั้นถ้าเราอยากจะได้ร้อยบาทก็ทำตอนที่เรามีชีวิตอยู่แล้วตอนที่ตายไปเราจะได้ไม่ต้องมารอรับส่วนบุญที่เขาส่งไปให้เราเราก็จะได้ไปเป็นเทวดา คำถามข้อต่อไปจากคุณคณิตฐาค่ะถ้ามีคนโกรธอาฆาตใส่ร้ายต่างๆนาน า, นาแต่เราไม่ตอบโต้และไม่เคยคิดกล่าวร้ายเป็นการเข้าใจผิดของเขาฝ่ายเดียวทำอย่างไรเราถึงจะออกจากวงเวียนความโกรธอาฆาตนี้ของเขาได้คะก็ถ้าแยกตัวได้ก็แยกไปเขาเราแยกไปอยู่ที่อื่นได้แต่ถ้าเราแยกไม่ได้ก็ทาใจเฉยๆไปดีที่สุด เพราะว่ามันบางทีก็หนีไปเดี๋ยวเกิดเขาตามมาอีกอะหรือเดี๋ยวหนีไปที่อื่นไปเจอคนใหม่ที่เหมือนกันอีกเห็นก็ไม่ใช่เป็นวิธีก็ต้องยอมรับว่าเราเป็นวิบากกรรมของเราที่จะต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้เจอคนแบบนี้แต่เราก็สามารถอยู่กับเขาได้ถ้าเรารู้จักทำใจให้เฉยไม่ไปตอบโต้แต่ถ้าเราคิดว่าถ้าอยู่กับเขาแล้ว เ, เป็นภัยอันตรายกับเรา ถ้าเราไปได้ก็ควรจะไปถ้าเราอยากจะรักษาชีวิตของเราให้อยู่ต่อไปแต่ถ้าเราคิดว่าไปหรือไม่ไปก็ตายเหมือนกันก็ไม่ต้องไปก็ได้ขอให้เราทำใจให้เฉยๆแล้วเราจะไม่วุ่นวายไปกับการพบปะกับสิ่งต่างๆกับบุคคลต่างๆคำถามจากคุณปาริดาค่ะ ตอนนี้ตอนที่นั่งสมาธิแล้วรู้สึกการเต้นของหัวใจทั้งเสียงและแรงสะเทือนเราเอามาพิจารณากายต่อได้ไหมคะตอนนั่งสมาธิไม่ควรจะพิจารณาอะไรควรจ่อใจให้อยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่นดูลมก็ดูลมอย่างเดียวพุโทโธก็พุโทโธไปอย่างเดียวอย่าไปสนใจกับเรื่องอื่นเราต้องการนั่งให้ใจนิ่งให้สงบให้ใจว่างต้องให้ใจอยู่กับเรื่องเดียว อย่าไปพิจารณาอะไรทั้งนั้นอย่าไปสนใจกับสิ่งที่เห็นที่รับรู้ถ้าอยากจะได้ความรู้ต้องรอตอนออกจากสมาธิมาแล้วเรายกเรื่องขึ้นมาศึกษาเช่นอยากจะรู้เรื่องร่างกายว่าเที่ยงไม่เที่ยงก็ยกขึ้นมาดูว่าร่างกายนี้มันเกิดมาแล้วมันเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนถ้าเปลี่ยนก็แสดงว่าไม่เที่ยงเช่นจากเด็กไปเป็นผู้ใหญ่จากผู้ใหญ่ไปเป็นคนแก่จากคนแก่ไปเป็นคนตายอันนี้ก็เรียกว่านี่คือการ ศึกษาความเป็นจริงของร่างกายว่ามันเที่ยงหรือไม่เที่ยงตามที่พระเจ้าทรงสอนว่าร่างกายมันไม่เที่ยงร่างกายมันเป็นทุกข์ทุกข์เพราะว่าเราอยากให้มันเที่ยงพอมันไม่เที่ยงมันก็เลยทําให้เราทุกข์อยากให้มันไม่แก่พอมันแก่มันก็ทําให้เราทุกข์ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปอยากอย่าไปอยากให้มันไม่แก่อย่าไปอยากให้มันไม่เที่ยงพอมันแก่มันเจ็บมันตายเราก็จะไม่ทุกข์กับมันะ คำถามข้อต่อไปจากคุณพิทักษ์ค่ะกรรมที่เกิดจากการฆ่าตัวตายผู้ที่กระทํากรรมแบบนี้จะต้องได้รับผลเช่นไรครับก็จิตก็ต้องไปอบายต้องไปนรกเนี่ยเพราะฆ่าด้วยความโกรธเกลียดเกลียดตัวเกลียดร่างกายก็เลยฆ่าเหมือนอันนี้ก็แล้วมันจะทําให้เป็นติดเป็นนิสัยไปด้วยเวลามีปัญหาก็ฆ่า ฆ่าร่างกายทุกครั้งมาเกิดพอมีปัญหาแก้ปัญหาไม่ได้ก็แก้โดวยวิธีฆ่าตัวตายซึ่งไม่ใช่เป็นวิธีแก้ปัญหาวิธีแก้ปัญหาก็ต้องฆ่ากิเลสตัวที่ทำให้เราทุกข์ใจเสียใจถ้าเราฆ่ากิเลสได้เราก็ไม่ต้องฆ่าตัวตายเพราะพอกิเลสตายแล้วใจเราก็หายทุกข์เอาอีกอมีอีกสองข้อสองนาที คำถามจากคุณจิตนพภาค่ะการไปรักษาศีลอุโบสถแล้วเอาเพอ้อเจ้์ทางบ้านไปพูดผิดศีลไหมคะผิดศีลไหมเจ้าคะคือคำพูดเพอ้อเจอ้าคำพูดส่อเสียดคำพูดอยามนี้มันไม่ได้อยู่ในศีลแปดมันอยู่ในอกักข u ศนสิบก็ไม่ควรที่จะพูดมันเป็นอกักข u ศลแต่มันไม่ผิดศีลแปด เพเวลาเราขอสินแปลเราละเว้นจากการพูดปดอย่างเดียวเราไม่ได้ละเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อพูดคำหยาบหรือพูดส่อเสียดแต่มันเป็นอากุศลที่ไม่ควรกระทำค่ะคำถามจากคุณพนมพรจากทาง YouTube นะคะเราควรทำบุญทำทานที่เดียวเยอะๆหรือหมั่นทำบุญทำทานไปเรื่อยๆครับ ก็แล้วแต่เรามีมากมีน้อยก็ทําไปจนกว่าไม่มีจะทํานั่นแหละถึงจะหยุดเกินต้องการจะหยุดเอาเงินไปใช้ซื้อของฟุ่มเฟือยซื้อของไม่จําเป็นไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปเล่นเอาเงินที่ไปใช้กับสิ่งเหล่านี้มาทําบุญให้หมดนถ้ามีเงินกจะเอาเงินไปเที่ยวก็เอาไปทําบุญนี่นีเกินหน้าที่ของการทําบุญเพื่อกําจัดความอยากเที่ยวอยากกินอยากดื่มอยากเล่นอยากซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆ ต่อไปเราจะได้ไม่ต้องหาเงินมากไม่ต้องใช้เงินมากเพราะเราจะไม่มีความอยากซื้อของอะไรไม่อยากจะไปเที่ยวที่ไหนเราก็จะไม่ต้องทํางานมากเราก็จะได้มีเวลามาปฏิบัติทำได้มาบวชได้คําถามข้อต่อไปจากคุณเปาคะ่ะปฏิบัติสําเร็จแล้วไม่มาเกิดอีกอะไรเป็นสิ่งพิสูจน์คะผู้ปฏิบัติน่าจะรู้เอง เมื่อในใจไม่มีความอยากไม่ต้องใช้ร่างกายก็รู้ว่าไม่ต้องกลับมามีร่างกายมีร่างกายก็ไม่ได้ไปรักไปห่วงไปห่วงมันมันจะเป็นจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่สนใจไม่สําคัญเหมือนคนที่ไม่ใช้รถแล้วรถจอดไว้เฉยๆมันจะเสียหรือไม่เสียมันยังมันจะแตกไม่แตกก็ไม่เดือดร้อนกับมันแต่คนที่ยังใช้รถอยู่นี่จะต้องคอยกังวลต้องคอยดูว่ารถสตาร์ทจะติดหรือเปล่าเดี๋ยวจะต้องพามันไปนู่นมานี่ จะต้องไปนู่นมานี่ต้องมีรถพาไปถ้าเรายัางต้องใช้ร่างกายทําอะไรต่างๆอยู่หาความสุขด้วยความอยากอยู่ก็แสดงว่าเรายัางมาเกิดอยู่แต่ถ้าเราไม่ต้องใช้ร่างกายตามความอยากแล้วเพราะไม่มีความอยากจะใช้ร่างกายทําอะไรมันก็ไม่ต้องกลับมาเกิดไม่ต้องมีร่างกายข้อสุดท้ายค่ะข้อสุดท้ายจากคุณเช์เบลค่ะ เวลาเราทำบุญแล้วหวังเพื่อให้พ้นอบายและหวังไปสวรรค์แบบนี้จะได้บุญเต็มที่ไหมเจ้าค ะ, ะมันไม่อยู่ที่หวังไม่หวังหรอกมันอยู่ที่ทำหรือไม่ทำทำบุญก็ยังไปอบายได้อยู่การจะไม่ไปอบายต้องไม่ทำบาปเหตุที่พาให้เราไปอบายก็คือการทำบาปการเสบอบา ย, ยามุขถ้าเราไม่อยากจะไปอบาย ก็อย่าไปทำบาปอย่าไปเสบบะบายามุกถึงแม้ไม่ได้ทำบุญก็ไม่ไม่เป็นปัญหาอะไรบุญนี้เป็นเหตุที่จะพาให้เราไปสวรรค์ถ้าเราอยากไปสวรรค์เราก็ต้องทำบุญอย่าไปทำบาปแล้วเราก็จะไปสวรรค์ได้แต่ไม่ต้องไปหวังเพราะมันไม่ได้เรื่องของความหวังมันเรื่องของการกระทำถ้าทำแล้วผลมันก็ตามมา ผลตามมามากหรือน้อยก็อยู่ที่ว่าทำมากทำน้อยทำถูกหรือไม่ถูกไม่ได้อยู่ที่ความหวังไม่ได้อยู่ที่การขอเช่นก่อนจะทำบุญก็ขอนูน่นขอนี่ไปข อ, ขอก็ขอก็ขอไปแต่จะได้ไม่ได้มันไม่มันไม่เกี่ยวกับการทำบุญทำบุญก็จะให้เท่าที่เราได้จากการทำถ้าขอมากกว่าบุญจะให้เราได้ก็ไม่ได้ ไม่ได้อยู่ที่การขอไม่ได้อยู่ที่การหวังงั้นเราต้องศึกษาว่าการกระทําแต่ละอย่างมันส่งให้เราเป็นผลให้เรารับอะไรเหมือนกับเราไปฝากเงินตามธนาคารต่างๆแล้วก็ต้องดูว่าเขาจะให้ดอกเราเท่าไหร่ใช่ไหมธนาคารนี้ให้ดอกน้อยกว่าธนาคารนั้นเราก็ไปธนาคารอีกธนาคารหนึ่งเพื่อเราจะได้ดอกมากกว่าก็อยู่แค่ตรงนี้เองอยู่ที่เหตุที่ผลเหตุคือการกระทําผลก็คือสิ่งที่เราจะได้จากการกระทําของเรา